นั้นคนที่จะศึกษาถึงขนาดวิเคราะห์ได้เนี่ยใช้วิชาในทางธรรมะค่อนข้างหลายกลุ่มวิชาอยู่เหมือนกันภาวะใช่ไหมก็ตาหญิงตาชายอย่างนี้นพิเศษทําไมผู้ชายไม่จ้องตาผู้ชายอย่างเดียวกันงไงมันก็มีตาทั้งขู่ไม่ใช่หรือตาเนี่ก็อาศัยจากขู่ใช่ไหมจากขู่ก็เป็นเหมือนกับความใสถ้าจากขูนะถ้าเปรียบในหนึ่งก็เหมือนกับกล้องปัญญาอ่อนกันนั่นเลย มีเอาไว้รับนะนะถ้าไม่มีภาพให้ไหม่้ถ่ายก็ไม่ได้เรื่องเท่าไหร่หรอกมันก็ต้องมีภาพด้วยใช่ไหมมันรูปธรรมชาติที่ชื่อว่ารูปโดยศัพท์ก็แปลว่าแตกสลายใช่ไหมรูปปัจนุบัในรูปก็คือสลายไปทั้งสิ่งที่เราลืมตาเห็นเนี่ยสลายหมดเชื่อถึงไม่คิดประทุสลายสิ่งนั้นก็สลายไปในที่สุดไม่มีอะไรยั่งยืนเลยนะสมบัติที่เราลืมตามองเห็นเนี่ย จะไปเห็นที่ไหนก็ตามสิ่งที่ถูกเห็นทั้งหมดสิ่งนั้นในสภาวะความเป็นรูปคือสลายนั้นธรรมชาติใดที่สลายธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปอธิบายว่ารูปนั้นเมื่อถึงความเปรไปแห่งวันนะั้ย่อมประกาศความถึงหทยัยตัวนี้เนี่ถามว่าหมายถึงรูปอะไรรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานถ้าสีมันเปลี่ยนเนี่ยประกาศถึงจิตได้ไห เช่นสีหน้าแววตาเป็นต้นนะมันประกาศถึงจิตได้นะถ้ามันเปลี่ยนไปเนี่ยสีเปลี่ยนไปเนี่ยนะมันประกาศถึงจิตด้วยเพรา ะ, ะสีเนี่ยตรงนี้ท่านวิเคราะห์ซึ่งฟังแล้วน่าคิดบอกว่าเมื่อแปลไปแห่งสีย่อมประกาศความถึงหทยัยประกาศว่าเขาความคิดเปลี่ยนไปแล้วนะนะวิเคราะห์ศัพท์นี่ดูก็สีเนี่ยนะมันมันถ้าสีหน้าเปลี่ยนไปเนี่ยก็ประกาศถึง จิตเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมถ้าสีหน้าจากโสมนัสมาเป็นโทมนัสหรือเป็นสีหน้าเย็นชาอะไรเป็นต้นเนี่ยมันก็ประกาศถึงสภาพจิตได้เหมือนกันคือในในในลูกตาเนี่ยน ะ, ส, ะสัมภาระจกักรสุไม่ได้เกิดจากสมุทฐานเดียวเมื่อไม่ได้เกิดจากสมุทฐานเดียวเนี่ยนะเช่นกรรมสมุทฐานที่เกิดที่กายปภาษาถ้ามันมีปัญหาหรืออาหารชรูปมีปัญหาจิตแตชรูปมีปัญหาเนี่ย มันทําให้จกักรคูภาษาธาเสียหายหมดคือตัวจกักรคูภาษาธามันเป็นความใสที่สามารถรับการเห็นได้ทีนี้มันมันไม่ได้อยู่เอกเทศโดยลําพังตัวคนเดียวใช่ไหมในลูกตาของเราไม่ได้มีแต่จกักรคูภาษาธาอย่างเดียวมีกายภาษาธาตุด้วยมีอาหารชรูปด้วยมีอุตูเชรูปด้วยมีจิตแตเชรูปด้วยเพราะฉะนั้นเอตัวที่จะทําให้ตามันขุ่นเป็นต้นเนี่ยเรา ถามมาถ้าพูดแบบภาษาธรรมะนะั่นก็ยากที่จะจําแนกโดยส่วนเดียวใช่ไหมอย่างทางแพทย์ก็ก็ติดเชื้อบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปตามตั ว, ต, วตัวสมุทฐานที่มาทําให้ขุนไปแต่ถ้าพวกกลุ่มติดเชื้อพวกนี้อุตุสมุทฐานถ้าส่วนใจนะประกาศถึงพวกอุตุสมุทฐานก็คือแต่ถ้าบางอย่างเนี่ยมันอยู่ๆแล้วตา ม, มันเริ่มมีปัญหาไปเรื่อยๆโดยเหมือนกับไม่ได้ทําอะไรแต่มันมีปัญหาทุกวันทุกวันในที่สุดก็ ถ้ามองไม่เห็นไปเลยหรือก็บอดเศษพวกนี้มีกรรมเป็นสมุดฐานซึ่งก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะถ้าเป็นกลุ่มกรร ม, มสมุดฐานเนี่ยก็ยากที่จะจะแก้ไขเหมือนกันมันแล้วแต่สมุดฐานใดด้วยหรือบางทีนะประโยค้าก็ช่วยได้เนี่ยความที่มันตัดใ จ, จมากอย่างนี้เนี่ยยากเกินกว่าที่บอกว่าจักขู่นะมันยั่งยืนเ <laughs> พราะก็เลยบอกมันไม่เที่ยง ถึงจะดูแลปกครองรักษาขนาดไหนนะเดี๋ยวอันหนึ่งมันก็พาอันหนึ่งชำรุดอีกจนได้แต่ก็ซ่อมพอจะใช้งานไประยะหนึ่งเท่านั้นแหละรัตนพงศ์บอกว่าสิ่งเหล่านี้ปโลกะเพราะสลายตายเนี่ยนะอะไรสลายจากขู่สลายรูปสลายจากขูวิญญาณสลายจากขูสัมผัสสลายแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากจากขูสัมผัสเป็นตัจจัยก็เป็นของที่สลายไปเป็นธรรมดา แนะพันธะจะวิเคราะห์เพื่อให้ให้เห็นความเที่ยงความสุขความยั่งยืนจริงๆนะนะมองยังไงก็มองไม่เห็นว่ามันจะเป็นเที่ยงได้ยังไงปัจจัยมันมีมากขนาดนั้นจริงอยู่ผู้ที่รู้ปัจจัยอาจจะทําให้พอใช้งานได้ระดับหนึ่งเพราะไปเสริมปัจจัยบางส่วนแต่ในที่สุดก็พยุงไม่ไหวก็ถ้าเก่งจริงๆนะสัตว์ไม่มีใครตายหรอกแต่ในที่สุดก็พยุงไม่ได้อีกจริงๆ คนที่พอรักษาให้ยาวได้ก็เนื่องจากปัจจัยหลายๆส่วนมันพร้อมเหมนไงก็เลยทําให้ชีวิตมันต่ออีกสักหน่อยหนึ่งอย่างการระบบการรักษาสมัยใหม่เนี่ยทําให้ตายช้าลงเท่านั้นเองไม่ได้แปลว่าเลิกตายแต่ว่าอาจจะมีเวลาตายอีกคือว่าอีกเดือนหนึ่งค่อยตายอย่างเงี้นะอีกสามเดือนค่อยตายอย่างนเงี้ยนะก็ให้ลูกหลานได้ทําบุญมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ว่าไปตามนะแต่พ่อแม่ก็สฉลิมสฉลอเพราะว่าก็ บำบัดสมัยใหม่ค่อนข้างสลึมสะลือซะส่วนใหญ่ก็ถามเคยถามหมอหมอตายโรงพยาบาลหรือตายอยู่บ้านก็บอกขอตายอยู่บ้านพี่ <c oughs> หมอก็ไม่เอาจริงใ <c oughs> นเพราจะเชื่อมือว่าเอออยู่นั่นน่ะสลึมสลือบ้างไม่เป็นไรนี่นะ <c oughs> ซึ่งที่ที่มันยากอย่างหนึ่งในการพิจารณาคําสอนเนี่ยนะต้องลืมเนี่ยที่ในกระดานเนี่ยมาคิดในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยนะ ไ ม, ไม่ใช่จอจานแรรยากาศกอไก่เนี่ยจักแล้วแล้ครูอีกสับหนึ่งนะแล้วเขียนขึ้นมาในสมุดแต่ว่าลืมตาปั๊บเนี่ยนะห้าสิบสีเนี่ยนึกออกประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วสีที่เห็นเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วสีตากับสีเนี่ยมันมีเป็นปัจจัยยังไงแกจากครูวิญญาณเนี่ยนะแล้วแสงมันมีผลอะไรต่อการเห็นเป็นต้น แต่ถ้าเปรียบแบบวิชาการทางโลกนะเขาผู้ที่รู้เรื่องนี้จริงประกอบอาชีพได้เลยถ้าถ้าอันนั้นแ้าเป็นวิชาที่เป็นไปเพื่อการรักษานะแต่ของเราไม่ใช่วิชาที่เป็นไปเพื่อการรักษาพระพิสูน์ไม่ให้เป็นหมอนะไม่ให้เป็นหมอเที่ยวรักษาทั่วไปเพราะให้เห็นว่ามันนั่นพระพิสูจน์ให้เจริญส ม, มณะธรรมให้คิดไตรสิกขาให้คิดเรื่องไม่เที่ยงนี่แหละไม่ได้ให้ไปคิดซ่อมแซมอะไรจนเกินไปหรอก อย่างพระจักครูบาอรท่านยกตัวอย่างเลยใช่ไหมว่าจะเอาตาไว้หรือจะเอาสมณธรรมไว้บอกนะก็ยอมบอกอนะ่ะจะได้บำเพ็ญสมณธรรมเพราะว่าข่าที่เป็นจริงของจักขู่ก็คือเป็นกุศลอกุศลหรืออภยกตะจักขูก่อพยคตาเพราะนั้นข่าที่เป็นจริงเป็นปริญยยธรรมเท่านั้นเป็นธรรมที่เป็นดินแดนแห่งสติปัญญานั้นเป็นเอาไว้เป็นที่โคจรแห่งัญญา สรุปว่าอาศัยตาอันนี้นะความใสอันนี้ที่เห็นสีสีก็มีทั้งสีสมุทฐานใช่ไหมวิเคราะห์เลยว่าตะสีเนี่ยมีสีสมุทฐานสีที่เกิดจากกรรมก็อย่างหนึ่งสีที่เกิดจากจิตก็อย่างหนึ่งเกิดจากอูตุก็อย่างหนึ่งเกิดจากอาหารก็อย่างหนึ่งแม้กระทั่งตาเนี่ยนะในตาดังกล่าวแล้วเนี่ยที่เรามองเห็นตาเนี่ยนะมาน้อมไปมานสิการรูปใดก็ได้ในนี้ เช่นมองเห็นตาเนี่ยรู้ได้ไหมว่าตาเนี่ยควรจะเป็นตาของภาวะใดเนี่ยนะก็พอรู้ได้ว่าจักขั่เนี่ยเป็นของเพศใดนี้เนี่ยนะหนึ่งต่อไปเนี่ยตานี้เห็นดีหรือเห็นไม่ดีเนี่ยนะดูสีอย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วสีมันรูอยู่ร่วมกับทุกทุกกลาบนะมีสีอยู่ทุกกลาบเลยทีนี้เมื่อมนุสิการสีบางทีก็ยังถึงภาวะ มณัสิการสีก็อย่างถึงจกักขุหรือมณัิสิการสีเนี่ยมาบ่งถึงกายะว่าเขาปวดตาจริงหรือไม่เนี่ยนะก็ดูได้ก็พอรู้ได้แล้วใช่ไหมว่าเขากําลังทุกขะกายะวิญญาณนะดูจากสีเนี่ยรู้ว่าเจ็บดูจากสีนี้รู้ไหมว่าตาต้อขึ้นแล้ว <c oughs> ก็รู้แล้วนะอันนี้ก็ชัดนะรู้จากสีนี้รู้ไหมว่าเขากําลังโกรธเนี่ยตาเนี่ยกาลังมีโทสะนะเพราะจิตตชรูปไม่เดียวเลย ในตาดวงกลมๆเนี่ยน้อมไปมานศัศการอะไรก็ได้คิดดูเพราะฉะนั้นถ้าสีเหล่านี้เปลี่ยนไปเนี่ยนะโดยเฉพาะสีที่มีจิตเป็นสมุทฐานเนี่ยใช่ไหมสีตาสีหน้าเนี่ยสีแววตาเนี่ยใช้แวตแวตามันประกาศถึงความเปลี่ยนแห่งใจของเจ้าของเลยใช่ไหมว่าใจเจ้าของนี่เขาเป็นยังไงเขาโสมนัสอยู่หรือเปล่าถ้าโสมนัสนะสีเป็นยังไงถ้าโทมนัสสีของตาเป็นยังไงถ้าง่วงๆละตาเป็นยังไง ทางง่วงๆมันดูที่ผัดดูที่ดูที่อะไรนะเปลือกตาสยอนย่อนมากๆก่ะใช่เลยไม่ค่อยไม่ต้องสังเกตลึกขนาดตาหรอกนะดูแค่หนังตาก็พอแล้ว <c oughs> ไม่ต้องล้วงลึกอะไรมากมายหรอกนั้น <c oughs> ก็มน้าสิการไปถ้าอย่างสีที่กล่าวเมื่อกี้บอกว่าถ้าสีแปรไปก็ประกาศถึงภาวะแห่งหัตถัยได้นะล้วงไปถึงสภาพจิตได้เลย อันนี้นี่ยกสีหนึ่งสมุธฐานคือจิตสมุธฐานแล้วกรรมสมุธฐานดูออกไหมว่าผลบุญนําเกิดหรือผลบาปนําเกิดบุคคลนั้นนีเช่นตาของสัตว์บางอย่างนี่เห็นแล้ว ก, กลัวเลยไหมหน้ากลัวเลยตาของสัตว์บางอย่างนี่ก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยหน่ากลัวหรอกนะยิ่งชอบดูด้วยซ้ําไปเนี่ยนะไปดูตาสัตว์เดรัชานแล้วก็พวกเนี้ยมีสีจริงแต่ว่าเกิดจากสมุธฐานต่างๆ เนี่สําคัญว่าผู้ที่เจริญธรรมะหรือธรรมพินยยธรรมเนี่ยมองเห็นสีปั๊บต้องนึกอย่างนี้นี่ในส่วนของตานะและในส่วนของผมของขนของเล็บของฟันของหนังไปต้นเห็นแล้วก็ต้องฝึกคิดอย่างนี้จนจนชํานาญคือเราทั้งหลายถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีสาระนะเราทำได้อยู่แล้วผมมายังนึกเลยเนะไปบางทีไปดูหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพวกดาราศาสตร์นะ มันคำนวณกันโอ้ยเป็นล้านล้านปีแสงนะแสงหนึ่งวินาทีเดินทางเป็นแสนกิโลเมตรเนี่ยแล้ว60กิโลเมตรเข้าไป60วินาทีเป็นหนึ่งนาทีใช่ไหมทัวร์หนอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีเนี่ยแสงเดินทางได้แสนกว่ากิโลเนี่ยแล้วประมาณแสนแสนกว่าเนี่ยเริ่มเกือบสองแสนเนี่ยแสนเจ็ดเนี่ย หนึ่งวินาทีเนะี่ยแสนเดินทางเร็วขนาดนั้นแล้วถ้าถามว่าหกสิบวินาทีเนะี่ยเท่าไหรละแล้วหกสิบ ว, วินาทีเป็นหนึ่งหกสิบวินาทีเป็นหนึ่งนาทีแล้วหกสิบนาทีละ่ะชั่วโมงยี่สิบสี่นาทีเปยยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันสิบสองเอ่อสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีอย่างเนี้ยล้านล้านปีแสงอะ่ะ จากจักรวาลหนึ่งไปหาจักรวาลหนึ่งมันไกลขนาดไหนนะเขาคำนวณได้นะทำไมเขาไปขยันนั่งคิดในเรื่องนั้นเขาคำนวณได้กว้างขวางขนาดนั้นแล้วทำไมเราจะมาคิดเรื่องพวกนี้บ้างเลยได้สีที่เกิดจากจิตกระเทือนถึงสีที่ทำให้เกิดจากกรรมเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารไม่บอกแน่นอนนะเพราะว่าคนเนี่ยถ้าสุขภาพจิตไม่ดีนะอาหารดีขนาดไหนมันก็ ก็ทําอะไรไม่ค่อยได้ใช่ไหมในร่างกายเนี่ยคนมีโทสะบ่อยๆเนี่ยนะโทสะมากจนแล้วถึงคนเกิดมานะอะไรก็ดีหมดสุขภาพก็ดีเป็นคนที่เราบอกคนงามมาแต่เกิดเลยนะแอ่เจ้านี้เป็นคนขี้โกรธจริงๆเลยนะถามว่าเป็นยังไง ก, อก็อาจจะเกิดหม่เร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะแล้วก็พันจิตตจิตเนี่ยนะมันมีผลมากๆเลยในรูปสี่สมุธานนะถ้าตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาเนะี่ สมุทฐานใดสมุทฐานหนึ่งมีปัญหาสมุทฐานอื่นๆนี้เดือดร้อนทั้งั้หมดเลยนะพาไปหาสูสมุทฐานอื่นๆพาสมุทรฐานอื่นๆวิบัติได้ทุกเรื่องแต่ว่าในถ้าเป็นกลุ่มโรคที่รักษาได้เนี่ยโรคที่เกิดจากจิตอุตุอาหารเนี่ยพอรักษาได้แต่ว่าเกิดจากกรรมยากเวนไว้แต่อย่างมากก็ประโยค่าดีก็ช่วยบรรเทาหรือแบ่งเบาไปเท่านั้นเอง พราะถ้าหนักจริงๆแนละ้วถ้ามันเกิดทําลายซะจนบอดนะจากคูแพทย์เก่งขนาดไหนก็ทําให้ตาดีไม่ได้มาดูต่อไปว่าเชื่อว่าภาษาพราะธรรมว่าถูกต้องท่านกล่าวว่าสัมผัสสะเพราะว่ามีอุปสรรคเพิ่มนะนะภาษาสัมผัสที่เป็นไปทางจักรุูชื่อว่าจากักรผูสัมผัสคําว่าจากักรผูสัมผัสปัจจัยาได้แก่ภาษาเจตสิกที่ประกอบกับ จากกูวิญญาณเป็นปัจจัยคำว่าเวท้ายิตังได้แก่รับรู้หรือเสวยอารมณ์นั่นเองนะรับรู้อารมณ์ก็คือเสวยอารมณ์ทีนี้รับรู้แล้วก็สุขบ้างทุกบ้างและอทุกขมสุขบ้างสุขก็คือธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์นั่นแหละย่อมเป็นสุขสุขเกิดแก่ผู้ใดก็ทำให้ผู้นั้นถึงซึ่งความสุขใช่หถ้าตัวสุขเวทนาสุขเวทนานี้เป็นสภาวะธรรมใช่ไหม สภาวะอันนี้นะถ้าอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นเรียกว่าผู้มีความสุขใช่ไหมตัวสภาวะนะเพะว่าสภาวะแบบนี้เกิดอยู่ในขันใดเจ้าของขันนั้นเหรอไผู้มีฉันทาคะในขันนั้นจักมีความสุขอ่าก็เรียกว่าอะไรนะผู้สเสมอนะเรียกว่าวูฮานนะวหารกระถาก็คื อ, อความสุขเกิดแก่ผู้ใดทําให้เจ้าของผู้นั้นแหละมีความสุข แต่บางคนเขาบอกว่ามันมีแต่สภาวะธรรมโหสาทุกข์ขอให้เห็นอย่างนั้นจริงๆเด้อนะถ้าเกิดว่าสภาวะธรรมพอเขาเอาอะไรหยิบมาอะไรหายไปหน่อยเนี่ยเอาของฉันไ้ไหนอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่สภาวะแล้วมันถ้าใครจะบอกแม้เออะยกให้สภาวะอย่างเดียวก็ให้ตลอดรอดฟังเนอะนะมันเรียกว่าอย่าล่วงเลยโวหารของชาวชนนบดจนเกินไปนะ อีกอย่างหนึ่งธรรมชาติใดย่อมเคี้ยวกินและขุดเสียได้ด้วยดีซึ่งอาพาธทางกายและทางจิตธรรมชาตินั้นชื่อว่าสุขะนะขุดขุดเคี้ยวกินความทุกข์หมดเลยนะความทุกข์ไม่เหลือเลยอ่ะก็แสดงว่าเหลือแต่ความสุขธรรมชาติใดย่อมเสวยอารมณ์เป็นทุกข์ธรรมชาตินั้นชื่อว่าทุกทุกนั้นเกิดแก่ผู้ใดย่อมทําผู้นั้นให้ถึงซึ่งความทุกข์นะเสียใจเลยนะทุกทุกทั้งกายทุกทั้งใจเขาบอกว่าทุกบางทีเขาบอกว่าอดทนยาก ทนได้ยากก็คืออดทนยากอ่ะนะใครทุกข์บ่อยๆคนนั้นอดทนได้มากไหมอดทนยากแต่ถ้าความสุขไม่ต้องอดทนแต่คว้าถ้าความทุกข์เนี่ยต้องอดทนแต่มันทนยากถ้าความสุขนั้นไม่ต้องอดทนเลยใช่ไหมโอ้มีไม่ค่อยจํากัดถ้าไหไรก็เอาหมดแต่ถ้าทุกข์ล่ะทนยากจริงทนยากก็คืออดทนได้ยากอ่ะนะเพราะลาบากมากเนะนะี่ย ทุก็ไม่ใช่สุขก็ไม่ใช่ฉะนั้นจึงเชื่อว่าทุกข์ามสุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข